พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่13ปาระสูตรที่17จาตุมาสูตรสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในตำบลบ้านชื่อจาตุมาพระผู้มีพระภาคประทับณ ป, ป่ามะขามป้อมใกล้ตำบลบ้านชื่อจาตุมาตรัสสั่งพระนามหรือขับไล่ภิกษุประมาณห้0รอรูปที่เดินทางมากับพระสาวรีบุตรและพระโมคคัลลานะ